เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย่มกเยื่อเยินเห็นใ จ, ใจิตใจและความพาสุขทุกประการจมบังเกิดมีเดียาตาโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจไปในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ถ้าทาไม่กระทาที่จะนำมากล่าวในวันนี้คงไม่ต้องอารัมพบทกันเยื่อยือยาวนานเพราะเวลาของเรามีจำกัด <c oughs> จะข อ, อนำเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานมาให้ท่านตังหลายได้สดับรับฟังขอให้ต่างอกต่างใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนา ต, นต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจากพึ่งมีในวันนี้ทำมิกระทานในวันนี้อันมีหัวข้อว่าปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานนั้น เป็นปัญหาค้างใจของอาตมามานานเหมือนกันเพราะว่าไปไหนได้เจอคำถามชนิดนี้อยู่ตลอดมีคนถามอยู่ตลอดว่าควรจะทำอย่างไรอะไรทำนองเนี้ยอาตมาก็รู้สึกว่าเป็นห่วงญาติโยมผู้กำลังมีอาจารย์รังเลบางคนบวชทานไปแล้วกลัวจะไม่ได้บุญ บางคนบอกว่าไม่รู้จะเลือกทานอย่างไรกับพระสงฆ์ชนิดไหนเพราะข่าวๆอะไรต่างๆมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามชวนให้สลดท้อหูใจไอ้คนจะไม่แหย่ทานแต่เลยมันก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่เคยกระทามาและจิตใจมันก็อยากจะได้บุญได้กุศลอยู่์นั้นเป็นอย่างนี้คนไทยเรามันเป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณเธอการให้การเสียสละการเอื้อเฟือเฟ้อเผื่ อ, อแผ่มีมานานในแผ่นดินนี้ จริงทุกวันนี้มันมีปัญหาสับสนข่า ว, ข, าวข่าวทางหนังสือพิมพ์ทางจอทีวีทางเสริมมวลชนแมสซมีเดียมอะไรต่างๆก็ดีสื่อสารข่า ว, ข, าวข่าวเกี่ยวกับพระสองฆ์แก้วในทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ค่อยจะเป็นสริมองคลมีแต่เรื่องราวไม่ดีคูบาอาจารย์ชื่อโดองดังคนเคารพนับถือรู้จักทั่วทางประเทศก็มาทาเสียเสียหายหายภาษาอะไรกับพระกิกก๊ก อั่างอาตมานี่และพระนมเนน้อยพระเนะเนเทนตุหลวงปู่หลวงตาตามบ้านนอกคองนากระยิ่งทำให้คนมักจะมองข้ามไปเขาจะมองที่ว่าปาตัวเดียวแล้วกันเน่ากันทั้งข้องเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดมีจะต้องเกิดมีในปัจจุบันนี้แน่นอนเพราะว่า ความเปลี่ยนแปลงความพันธุนทางสังคมค่านิยมอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปจนไกลกันจนเกือบจะมองไม่เห็นฝนกันเลยกับสมัยโบราณแต่ทัศนคติอุดมคติในการให้ทานของคนไทยเราก็ยังหยุไม่ขาดสายเรื่องพระทรงองค์เจ้าไม่ดีไม่งามเนี่ยมันสันคอนสถาของมหาชน ทำให้มหาชนรังเรแต่ผู้ที่เข้าถึงทาแล้วรู้จักความเป็นจริงของมนุษยชาติแล้วก็หมดปัญหาไปก็จะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ส่วนมากสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่เอื้ออำหนวยให้คนเด็กเล่าเข้าใกล้ชิดวัดวาศาสนาศึกษาหลักธรรมคําสางๆมากนักมีเป็นจำนวนน้อยที่มีความทุกข์บีบคั้นจิตใจหรือผู้ที่มีบุญญาบารมีสั่งสมมาก่อนเกิดความ สนใจไฝ่รู้ในศิลนในธรรมก็พากันศึกษาเสริมมากก็วิ่งไปตามแรงของโลกสั่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สมัยใหม่นี้มันรุนแรงมันชักชวนยั่วยวนจิตใจให้ไหลหลงถ้าจะมาเปรียบเทียบสมัยพุทธเจ้าหรือสมัยสักห้าสิบหกสิบปีย้อนหลังนน่นโรกมันไม่รุนแรงเท่าขนาดนี้คนสมัยโน้นจิตใจสงบเยือเกเย็น การบวชก็บวชได้นานสองสามพันษาค่อยศึกถึงแม้ไม่ไ ม, มีการศึกษาสมาธิภาวนาแต่เขาบวชไปมันไม่มีอะไรยั่วยวนจิตใจเขาเขาก็บวชได้นานๆมีศรัทธานในพระาศาสนาสมัยนี้ไม่จะศึกษากันรู้าาศาสนาดีแต่ทนต่อสิ่งยั่วยวนใจไม่ได้บวชมามก็ตั้งท่าจะศึกตั้งแต่ยังไม่บวชอย่างเก่งก็พันษาหนึ่งนี่ ส่วนผู้ที่บวชได้นานๆหรือว่าบวชมาตั้งแต่น้อยแล้บทนอยู่ต่อไปในศาสนานี่จะนับว่าเป็นบุญได้สังสมเอาไว้อย่างแม่ใหม่ประพฤติปฏิบัติแต่ก็ไม่ทําลายศาสนานี่จะนับว่าเป็นบุญเสรพอายุศาสนาแต่ผู้ที่บวชแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิงสมาธิภาวนาสร้างสติสัมปชัญญะปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันขนณะ และก็ได้ไปเที่ยวสอนคนอื่นด้วยถ้าอย่างนี้ยิ่งนะัวาท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญวาสนากะตาธทการได้สั่งสมสร้างบารมีสมผานเอาไวมาเป็นอนเนกกชาจึงส่งให้ท่านมาแหวกว้อยู่ในสายทานทะเลแห่งอารมณ์คลื่นแห่งรูปแห่งเสียงแห่งปิ่นแห่งรถที่รุนแรงอย่างทุกวันนี้พระริสุผู้เช่นนั้น หรือบุคคลเช่นนั้นถ้าอยู่ใกล้ชิดสมัยพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าสมัยสังคมยังไม่มีอามิตยังไม่มีเยือในโรครุนแรงอย่างนี้ท่านเหล่านั้นคงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันได้อย่างง่ายดายแต่ถึงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ท่านยังไม่หวั่นไหวมันก็มีอยู่อย่างนี้ แต่ส่วนผู้ที่บวชมาแล้วมีเชิดเสียงโด่งดังให้คนรู้จักทั่วทั้งประเทศแล้วก็ยังทําลายย่อยยับ น, นั้ในขณะวเป็นบาปอย่างมหันอีกเหมือนกันนอกจากทําลายอืมสภามหาชนให้สันคอนในศาสนาและยังทําลายหมู่พิสุสง์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบพลอยให้โกเขาดูถกูกดูแคนจากคนสมัยใหม่สัทธาสันคอนสอนงสัยไปหมดฐานไป แ, แล้วไม่รู้จะได้บุญหรือไม่ ทานกะเพร็คสูเรานี้ไม่ใช่จะเอาไปทําพาสปอร์ตบินไปเมืองนอกไปกัดสีกาตรงน้งตรงไหนกับไม่ทราบไปเช่าบ้านไว้อยู่ตรงไห น, น <c oughs> ตั้งท้องแล้วกี่เดือนหรือคลอดมาแล้วกี่เดือนกับไม่ทราบทําให้มหาชนลังเลอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนู้นพุทธเจ้าของเราทั้งกะเคยเล่าไว้มีเรื่องเล่าไว้ในฉักระนิบาตคุตตกานิกายประภิตวิเหตะชาดก แห่พระเตวีดกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่เก้าร้อยสามสิบเจ็ดหน้าสองร้อยห้าพระเจ้าแผ่นดินไล่พระหนีจากแผ่นดินไม่ให้มีเหลือเลยสักองหนังห้พระเจ้ากาศีสมัยโน้นเพราะว่าพระไม่ดีไปทำเสียหายไปลอบลักเล่นชู่กับมาเหสีของพระราชาในเมื่อพระราชาไปปราบประจามมิตร ผูวั น, ว, นวันจนชาวบ้านรู้เมื่อชาวบ้านรู้เข้าไปบอกพระราชากลับมาก็เตรียมวางแผนจับตัวคนร้ายที่ลักลอบมาในเวลากลางคืนสแาระชาวบ้านก็เห็นจำเสื้อจำอะไรไว้ให้ให้ราชินีนี่ยบอกว่าหมาไม่รู้สึกตัวมาแต่เวลากลางคืนให้เอาอะไรไว้ถ้าป้ายหลังไว้ปราก็ว่าชาวบ้านก็ไล่ไปติ ด, ด, ด ตามไปไปพบที่ป่าชา้ากลายเป็นนักบวชกลายเป็นนักบวชหลังจากนั้นชาวบ้านจะจับแกก็หนีไปกแกแเก่งมีฤทธิ์มีเดชด้วยนักบวชที่มีฤทธิ์มีเดชด้วยแล้วมหาชนก็อจอดค้างกันทัว่วนักบวชเป็นลือสีที่อยู่อยู่ในป่าชา้าหนีคดีไปพอเราตามไปแล้วก็หนีเลยจับไม่ได้แม้พระราชาจะพยายามจับให้ได้อย่างไรก็ยังจับไม่ได้ หลังจากวันนั้นพระราชาก็เป็นโกรธเป็นแคล น, นมากขับไล่พระนักบวชออกจากแว่นแควนไม่ให้มีเหลือเลยแมย้แต่องเดียวเห็นทีน่ไหนจะฆ่าทิ้งในแว่นแขวนไม่ยินดีตอนรับเพราะพวกนักบวชลวงโลกให้คนกราบคนไหวแต่ความจริงมันไม่ใช่มันกลายเป็นพวกวิชาทรเป็นวิชาทรที่มีลิปมีเดชปลอมแปลงพระองค์ ปลอมแปลงตนเองก็ไปสู่พระบรมาราชวังไปเสษตัสังวาดคมขืนพระอัคคีสีของพระราชาเมื่อนานเข้าชาวบ้านไล่แกก็ห น, นีไปปลอมเป็นนักบวชเอกเทนีนึ่งไปยืนอยู่ในป่าชาเพราะเขาจะไล่กันหนี้เลยทำให้คนเข้าใจผิดนี่คือความชั่วละพระองค์เดียวก็คือวิชาทอนด้วยไม่ใช่ของจริงนิกพระเกอองค์เดียวทาลายพระทรงองค์เจ้าทางแผ่นดินให้เดือดร้อน หลังจากนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นก็ไม่มีพระสงพระเจ้าพระสงเลยไม่รู้จะทาบุญทำทางกับใครมหาชนผู้เลื่อมใสอยู่ก็ยังมีแต่ก็ไม่สามารถเพราะว่าพระไม่มีพระเจ้าเป็นเด็นประกาศเป็นประกาศสิทธิเลยเห็นพระหมายฆ่าทิ้งไล่นี้ให้หมดไม่เช่นั้นฆ่าทิ้งเลยบ้านนั้นเมืองนั้นว่างจากพระไปเป็นสิบยี่สิบปีก็เลยเดือดร้อนพระอินทร์ซะแล้ว พระอินทคือคนดีบนสองสวรรค์ว่าบ้านเมืองนีห่างเหินพระสองฆอ์เจ้าไม่มีใครจะมาให้ทาบุญทำทานเป็นเนื่อนาะบุญยากอ น, นันเลยเราจะต้องไปสองทำให้พระเจ้าแพ่นดินนิสสองเวชสลดใจวันแล้วก็เลยเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติจากเพื่อเขามูลคันทะกะก็เข้าไปหาหาเนมลนไปบิณฑบาตในเมือง และท้าวส ก, กัดเทวราชคือพระเอ็นใน่ก็พนมมือเดินนำหน้าประกาศเรียกร้องชาวบ้านชาวเมืองให้มาทำบนและรูปร่างทั้งก็สวยสดงดงามด้วยนะพระเอ็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกรเป็นแค้นมากแต่ว่ามาเห็นคนคนนี้มีรูปร่างหนาตาผิวพรรณสวยสดงดงามดูลักษณะไม่ใช่คนทุกคนยากลักษณะผู้หลังมากยิ่งกว่าเครื่องอลังการที่เราแต่งใส่ก็เลยได้ถา ตั้งแกว่าจะไปไล่พระนี้แต่ก็งงอัศจรรย์คนที่พนมมือเดินนําหน้าพระก็เลยถามว่าท่านผู้มีรูปงับท่านประนมมือนอบน้อมสมณะผู้มีรูปร่างไม่น่าดูก็รุ่งกระริ่งเนี่ยสมณะนั้นประเสริฐ ก, กว่าท่านหรือว่าเสมอกับท่านท่านจงบอกชื่อสมณะนั้นและชื่อของตนแก่เราพระอิง ก, ก็บอกว่าคาแต่พระราชา เทว ด, ดาทั้งหลายย่อมไม่ถือเอานามและโคดไม่ต้องถือเอาชื่อและนามตะกุลโคดเหงาเหล่าสกุลอดของพระคีนาศกภู พ, พรอมเพียงกันผูป้ประพฤติตรงตรงโปรดด่ว่าหม่อมฉันจะบอกชื่อของหม่อมฉันแก่พระองค์หม่อมฉันเป็นเท้าสกกะจอมเทพชาวไตรทศทั้งหลายเมื่อกล่าวจบเท่านั้นเองขา้าว่าข้าแต่เฮวรชัชหม่อมฉันขอถามเนื้อความนี้กับพระองค์ ผู้ใดเห็นภิกษุผู้ประกอบพุทธจารณะแล้วปรมนมมือนนอบน้อมผู้นั้นจุติจากมนุษย์โลกนี้ไปแล้วจะได้สุขอะไรบ้างพระเอลก็บอกว่าผู้ใดเห็นภิกษุผู้ประกอบพุทธจารณะประพฤติปฏิบัติ ด, ดีงามสำรวมอยู่อย่างนี้แล้วประนมมือนนอบน้อมผู้นั้นย่อมได้ความสันนิษฐานในปัจจุบันและเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่โลกสวรรค์ เมื่อกล่าอย่างนี้ก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินก็เกิดความเลื่อมใสและก็ประกาศเปล่าร้องมหาชนให้รู้จักเขารบนบไหพระสองฆ์องค์เจ้าทาบุญทําทานกันต่อไปแผ่นดินของข้าพระเจ้าบัตรนี้เป็นต้นไปขอในมนที่สุสง่งภู้อยู่ในทิศทั้งสี่จงมาสุแผ่นดินนี้นั่นก็เลยได้ดเปลืองความเข้าใจผิดของพระเจ้าแผ่นดินกาศิราช นี่ทำให้เราเห็นว่าพระชั่วช่าซึ่งได้มีเรื่องราวเล่าไว้แล้วนั้นได้ทำให้พระดีๆนี่เสียหายมากเลยอาดมาส่งเนนไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพประโยคทห้ายวัฒชนะสงขามทุกครั้งที่มีเรื่องราวใหญ่โตเรื่องสนั่นวันไวเรื่อง ข่าวจากดอยนางแลดอยแม่ปังสีกาอ่อนปวีนานิกรขึ้นมาที่กมมเกาะสามเสนเขียนจดหมายมาบอกทุกข์ยักเหมือนตกนรกไปบินทบาทไม่ค่อยจะได้อด อ, ด อ, ดอยากตั้งแต่มีเรื่องราวนี้ขึ้นมามาหาชนไม่ค่อยจะสนใจนี่เพียงคนเดียวนี่มันสั่นคลอนสถามหาชนต้องม า, มากมากทั้งขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องมีแน่นอนท่านสาธุชนทั้งหลายท่านจะต้อง ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ได้ว่าเราควรจะทำอย่างไรควรจะให้ทานยังไงควรจะเลือกยังไงหรือไม่ควรจะเลือกยังไงพระภูริยาของเราท่านได้ตรัสไว้กับพระอานอนท์ในทักขีนาวิพังคสดอุปริปันาตมัชิมานินกายเล่มที่สิบสี่ข้อที่เจ็ดร้อยหกหน้าที่สี่ร้อยห้าสก เริ่อเรื่องที่นิโคทารามกบินละพัทพระนางประชาบดีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าขอเรานำผ้าใหม่มาถวายเพราะว่าหม่อมชั้นได้ต่ําเองได้ทอเองขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงใช้ซ้อยผ้าอันนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่หม่อมชั้นเพื่อประโยชน์อันยาวนานแก่หม่อมชั้นผู้ชายของเราท่านก็เลยแนะว่าพระแม่เจ้าจงถวายให้แก่สงเถิดอย่าถวายปัจเจกทานให้แก่ อ ง, องคใดองคหนึ่งเลยถวายแกสงยงดำไดมีอนิสง์มากอย่าไปถวายเป็นปฏิปุคลิกทานเลยแนะนำเรื่องทานที่มีผลมากระหว่างสังฆท า, านกับปุคลิกทานคือทานให้บุคคลและทานให้แกสงสงนั้นไม่ได้หมายถึงสองสามสี่องในวัดแต่หมายถึงหมดทั้งโลกนั่นแหละแต่ถือเอาผู้ที่อยู่เฉพาะหน้านี่เป็นตัวแทนน้งก็ยังไม่สบายใจอยากแกทานให้กับพระพุทธเจ้านะ หังจานั้นพระอานนท์ท่านก็ถามทำไมยังไม่รับให้ประนางเล่านังเป็นผู้มีบุญมีคุณมากทั้งอยากจะได้บุญต่้มาเองเขอมาเองไม่ได้เป็นลักศกกรอใครมาเนี่ยพระผู้ได้าจทั้งกันเลยสอนให้รู้จักว่าการให้ทานนั้นให้แกบุคคลหนึ่งคนเดียวอย่างมาที่วัดเนี่ยก็จะมาจะทานให้แต่อาจารย์อาจารย์อย่างเนี้ย มันได้บุญน้อยกว่าทานให้สองคำว่าสองนั่นหมายถึงว่าพิกโสทั้งหมดที่มีในโลกในทิศทั้งสี่หนึ่งในรัตนตรัยไม่ได้หมายถึงเพียงพระในวัดนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะให้พระในวัดนี้เป็นตัวแทนของสองที่นี่ท่านจะเอาไปยังไงก็ช่างท่านเถอะท่านไม่ให้จิตใจของท่านกว่างขวางท่านจะเอาไปกินของท่นเองถึงจะเป็นตกนารกล้มไหนก็ช่างท่านแต่บุญกุศลนั้นนับประมาณไม่ได้อยู่ที่ตัวเราถ้าพรา้ว่าการให้ทาน แกสัตว์เดรัจฉานมีพลเป็นร้อยแก่ปุถุชนมีพลเป็นพันจะให้ทานแก่นักบวชผู้ทุศิลก็ยังมีพลเป็นหมืน่นให้ทานแก่นักบวชนอกศาสนาผู้ประเสริฐจากราคะมีพลเป็นแสนให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาผู้มีศีล า, ารวัตอันงดงามแม้จะไม่ได้เป็นพระอรีย์เจ้าก็มีพลนับประมาณไม่ทวนนับประมาณไม่ได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลงดงาม ได้ผลมากแต่ก็ยังไม่เท่าการให้ทานต่อพัสดาบันเพียงครั้งเดียวการให้ทานต่อพัสดาบันเป็นร้อยครั้งได้ผลมากแต่ก็ยังสู้ครั้งเดียวที่ให้แก่พระสกิทาคามีการให้ทานกับพระสกิทาคามีเป็นร้อยเท่าเป็นร้อยครั้งได้ผลมากมีอนิสงส์มากแต่ก็ยังไม่ได้เท่าหนึ่งครั้งหรือว่าเสี้ยวที่สิบหกแกพระอน า, าคามี ให้ทานแก่พระอนาคามีเป็นร้อยได้ผลมากแต่ก็ยังไม่เท่าหนึ่งในการให้แก่พระอรหันต์ให้ทานแก่พระอรหันต์เป็นร้อยมีผลมากยังไม่เท่าหนึ่งในการให้ทานแก่พระปัจเจกะพุทธเจ้าให้ทานแก่พระปัเจกะพุทธเจ้ามีผลมากเป็นร้อยครั้งมีผลมากก็ยังไม่เท่าหนึ่งในการให้ทานแก่พระพุทธเจ้าสมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้เองโดยชอบและสอนผู้อื่น การให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นร้อยครั้งมีอนิสงส์มากมีผลมากแต่ก็ยังสู้การให้ทานต่อสังฆท า, านให้สองในที่ทั้งสี่ทั้งหมดโลกเนะี่ยไม่ได้เพียงครั้งเดียวดูคำกล่าวนี้ถ้าจะอธิบายมันก็คงจะต้องใช้เวลายืดเือทำไมให้ทานต่อสัตว์เดรัจฉานจึงมีผลเป็นร้อยเพราะสัตว์เดรัจฉานกาลังแกงหิวจะหอย อย่างพวกเสืออะไรต่างๆที่มันเดือดร้อนมันจะไปกัดไปกินไข่ก็ได้แต่ถ้าเรามีอาหารอะไรให้มันกินสะเมื่อมันอิ่มแล้วสัตว์เหล่านี้มันไม่ไปกัดไข่หรอกมันก็นอนนนั่ผลของมันออกมาอย่างนั้นเห็นทันตาแต่มันไม่รู้จะขอบบุญขอบคุณหรอกฮะมันเป็นสัตว์ที่ให้ทานแก่ผู้ทุนผูปทุสินให้แก่โจรแก่ผู้ร้ายซึ่งเป็นมนุษย์มีผลเป็นพันกว่าเดระฉานเพราะบุคคลเหล่านี้แม้เขาจะเป็นคนโหดร้ายใจไม่ใจ ดำอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาก็มีความรู้สึกเป็นคนรู้จักดีรู้จักทั่วเมื่อให้แล้วเขาก็ยังจะรู้จักขอบคุณและยิ่งไปกว่านั้นอย่างโจรคนหนึ่งนักป้นคนหนังเราให้เขาได้อิ่มมีวิมันบางครั้งในขณะที่เขาหิวโหยเขาอาจจะขอบคุณเราแม้เราไม่รู้ว่าจะขอบคุณในใจหรือคนอื่นจะมาป้นมาฆ่าเราเขาอาจจะช่วยคุ้มครองบอกให้คนนี้ดีอย่างนู้นอย่างนี้ยไปทาเลย หรืออาจจะช่วยป้องกันหรือเขาโหดร้ายแค่ไหนเขาแทนที่จะแทนค้าป้นที้พวกตัวเราเองเขากลับไปป้นคนอื่นนี่ผลมันออกมาในรูปลักษณะอย่างนี้แหละฉะนี้ให้แกพระภิกษุผู้ไม่มีศีลแต่ในเครื่องหมายของพระสององค์เจ้าทําให้คนอื่นที่ยังไม่รู้อะไรเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาอยากมีการให้ไปด้วยเป็นการสีสละ ทำลายความโลภของตนเองและทำให้ผู้อื่นพล้อยตามไปอย่างนี้มันก็ได้ผลได้ผลเป็นหมืน่นต่างๆเลยให้นักบวชนอกาศาสนาที่ปราศจากโรา ร, าราคะมีผลเป็นแสนพระพุทธเจ้าเราบอกว่านี่อย่าใจแคบแต่เพียงาศาสนาพุทธนะาศาสนาอื่นที่เข้าปราศจากราคะ เขาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นบุคคลเหล่านั้นเป็นคนใจกว้างขวางอยู่เพียงแต่เขายังไม่ได้ศึกษาธรรมะในทางศาสนาที่จะเอาตนออกจากทุกข์เป็นประโยชน์แก่ตนเองให้มากกว่านั้นแต่เขาก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ใครและยังรู้จักยกย่องสรรเสริญเทดิดทูลบูชานีนเมื่อเขาปราศจากราคะเขาก็จะเป็นคนมีใจใจกว้างพอจะบอกว่าเออนักปวด เรือ่องบอกคนนอกศาสนาเราเนี่ยก็มีคนดีนะไม่ใช่มีแต่เราอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เป็นที่เป็นภัยแก่กันมีผลเป็นแสนท่านบอกให้แก่นับบวชที่ในศาสนานี้เป็นผู้ไม่มีศซ็นอ่าเป็นผู้มีเซ็นงดงามขอภยัยมีเซ็นงดงามมากแม้จะไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระอริอยเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งกล่าวว่านั่นจะมีผลนับประมาณไม่ได้เพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตดีเป็น ที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นผู้นําทางจิตใจวิญญาณนอกจากพูดให้ฟังท่านกระทําให้ดูทําตัวของท่านให้ดูปฏิบัติปฏิรูปตนเองให้สงบเสงี่ยมมักน้อยสันโ ด, ดให้ดูสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากและก็ยังอยู่ให้เห็นอย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นจิตใจกิเลสตันหาบีบคั้นชวนให้คนอื่นเกิดความเลื่อมใสอยากเข้าใกล้อยากฝึกพึ้นอยากปฏิบัติตามจิตใจอ่อนโยนไม่อยากจะเบียดเบียนใครเพราะเห็นตัวอย่างอย่างนี้ แล้วยิ่งกว่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้มีศีนมีธรรมงดงามศีลาจาระวัลวัดงดงามเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติข่าวปลาอาหารที่เราให้ท่านท่านได้มีชีวิตประหังตนอยู่ได้และประพฤติปฏิบัติธรรมวันหนึ่งครั้งหน้าท่านอาจจะบรรลุธรรมท่านอาจจะเห็นธรรมอย่างโส ธ, ธรรมมังมิทันเยียร์ยัปรินิพพาตนตะยานาสโวติเมื่อท่านรู้ธรรมอันใดในโลกนี้แล้วจกเป็นผู้ไม่มีกิเลสและปรินิพพาน ยังโสทำมังทันเยยยะปรินิพพาะนะยะนาสโวติเมื่อท่านไม่มีกิเลสท่านน่าแสดงธรรมเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แก่เราหมายความว่าเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีงามอย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าจิตใจของท่านก็จะสรงขึ้นหลดพ้นจากสิ่งร้อยรับ แล้วท่านก็นจะมีประโยชน์แก่ตนเองแสดงธรรมบรรเทาทุกข์แก่โลกแก่เราทั้งหลายให้ยึดถือเป็นเนติเป็นเส้นทางเป็นทิทานุคติไปได้นี่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นให้พระโสดาบันก็ไม่ต้องกล่าวถึงละท่านมีคุณธรรมสูงมีประโยชน์แก่โลกมากยิ่งไปนั้นสกิทาคาอนาคาอรหันตามระดับนี่พุทธเจ้าของเราท่านก็นเลยเน้นที่การให้สังฆทานแม้จะให้ตัวพระพุทธเจ้าเองเป็น ได้บุญได้กุศลมากนะับประมาณไม่ถ้วนเลยยิ่งกว่าการให้แก่พระโสดาบันระสิทธาคาอนาคาอรหันตเจ ก, กภูมิทั้งหลายแต่ท่านก็ยังบอกว่าการให้ทานแกเราต ถ, ถาคตเป็นร้อยครั้งยังสู้การให้ทานแก่สงไม่ได้เรียกว่าสังฆทานเนี่ยทั้งหลายลองคิดดูเพราะว่าแม้พระพุทธเจ้าจะตายไปแล้วแม้พระอรหันตทั้งหลายจะตายไปแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าประทมพระสงฆ์หนึ่งในรัตนนี้ก็ยังอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามยังมีอยู่ยังสืบกันไปทอดกันไปท่านตายไปแล้วองค์นี้องค์ไหนก็ยังมีอยู่เพราะเหตุนั้นอย่าเลือกตัวบุคคลเพราะติดตัวบุคคลแล้วคนคนหนึ่งมีอายุไม่เกินร้อยปีพระพุทธเจ้าของเราก็แปดสิบปีเท่านั้นส่วนสงนั้นหมายถึงภาพรวมของคณะสองสิ่งหนึ่งในจํานวนรัตนะยังมีอยู่ คงไม่ชั่วหมดจนเกินไปคงจะต้องมีคนดีให้ได้เสิบทอดอายุศาสนาพระอุไรย่าจึงบอกว่าการให้ปฏิปุผลิคาถาทานให้แกบุคคลใดคนหนึ่งเฉพาะเจาะจงไปอย่างสู้การให้ทานแกสงในวัดสังฆทานไม่ได้เ<ม>พราะเหตุนั้นท่านกล่าวอย่างนี้และท่านก็บอกว่าในอนาคตดูก่อนอา น, นก่อนในอนาค ต, ตการจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูสง์ คือวิสุนในชุดหัวเรียวหัวต่อมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนถสุสินมีทมอัลลาโมกคนทั้งหลายจากถาวายฐานได้เฉพาะสงเหล่านั้นดูก่อนอานอนตะ ก, กีนาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงผู้ถสุสินเลวสามในเวลานั้นเราก็กะวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ดูสิเห็นไหมล่ะ การให้ทานแก่สงฆ์แม้จะเป็นสงฆ์ชั่วๆอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดวันนับประมาณไม่ได้ไม่ได้พูดเอาเองนะเตยเปิดพระไตรปไิฎกทักคินาริพังคโซอุปริปนาตมัชฌิมในกายโดยเฉพาะอ่าในเล่มที่สี่เนี่ยโดยเฉพาะในข้อที่เจ็ดร้อยสิบสามหน้าสี่ร้อยหกสิบพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไว้ยอย่างนี้พระวิสันติโคปนา น, นันทอันนาคตาตมัทฐานังโคตรภูโนกาสาวะกันธา ทุศินลาปาปธรรมมาเตสุทุศิเลสุสังขังอุทิสฐานังทันติตาธาปังอานันทะสังทกตังทักกีนางอะสังเขยังคำนี้ยไปวันนับนับไม่ได้ละบุญกุศลอับประเม ย, ยังประมาณไม่ถ้วนวะทามิ นะเตวาวาหังอนันทะเกนจิปริยาเยนะสัางขะตายะท ก, กินายะปฏิปุคลิกขทานังมหผละตลังวพามิจูก่อนอานนในอนาคตตการจะมีแต่เหล่าพิกสุโคตรภูสง์ที่มีผ้ากาสาวะพันคอคนโบราณอีสานวา่าเรื่องหน่อยหอยหูหเป็นคนทุสินมีบาปทำอลาโมกคนตั้งหลายจักถวายทานให้ ได้เฉพาะสองเหล่านั้นใช้คำว่าได้เฉพาะสองเหล่านั้นคือมันจะหาดีๆไม่ได้มันมันมันหัวเลียวหัวต่อโคตะละโพด้วยกัอนอนนทักษีนาทานที่ถึงแล้วแม้ในสองผู้ถูเส้นเลวสามทั้งป่านนั้นในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้นับประมาณไม่ได้ แต่ว่าเราไม่กล่าวทักกินาทานในตัวบุคคลว่ามีผลมากกว่าการให้ทานแกหมู่สงฆ์โดยประการใดๆเลยเห็นไหมคนโบราณก็เราเคยพูดไบาศาสนาสวยลวงหลับถึงเขตท่านที่สามอัปปีเป็นต่างไปเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็จะมีถึงพระภิกษุโบอผากาสาวาคบไตจะมีผ้าเลี้ยงหน่อยๆพ่อหอยตั้งแต่หูพอให้รู้ว่าเป็นนักบวช หลังจากนั้นก็จะทำํำดูทํากินเองมันจะไปนั่นเดี๋ยวนี้มันไปแนวหน่อยแล้วพระชั่วๆมีมากเครื่องพระดีๆมีน้อยประชาชนที่เลื่อมใสก็หมดตถาสันคอนต่อไปก็จะถึงละ่ะถ้านเรื่องน้อยห้อยคู่กันละ่ะทีเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครมาทําบุญตักบาปให้ทานให้แต่ใจมันก็ยังอยากบวชอยู่เมื่อนคนอื่นไม่ให้ทานให้มันก็ต้องทํามาหากิน ทำไรทำนาทำสวนเนี่ยจะมาคมคุมผ้าคบใจทำนามันก็ไม่ทันนั้นก็เลยเอาเหลือแต่ผ่านเหลืองเหลืองมัดหัวบางมัดเอวบางพันคอบางให้รู้ว่าเราเป็นพระแล้วก็ทำงานทําการพอกินไปคนที่มีใจเลื่อมใสไปทํากับโคตรละภูสงเหล่านั้นก็ยังจะได้บุญที่พระพุทธเจ้าของเราท่า น, นบาาอกว่าอสังเขยอย่างอัปะมยอย่างวัามิดูได้พ้นนะท่านบอกว่าทักทีนางอสังเขยอย่างอัปะเมยอย่างวัฏฐานดุ ทักษิณาทานเหล่านั้นแม้ในทรงพูดทุสินเลวสา ป, ปนั้นกาวว่าเรากะว่ามีผลนับไม่ได้นับประมาณไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไว้นะไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองแต่อย่างไรก็ตามปัญหาอันนี้เราต้องมาทําความเข้าใจว่าทําไมมันจึงจะต้องเกิดมีอย่างนี้เพราะว่าโลกยิ่งจเจริญมากเท่าไหร่คนทั้งหลายก็บูชากราห ม, มสุก บูชารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รูปสวยๆเสียงเพ่อพ่กลิ่นละมุนละไมรสอันกลมกล่อมอร่อยถูกอกถูกใจความสัมผัสที่นุ่มนวลอะไรต่างๆใครๆก็ปรารถนาหนังอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศมีรถเก๋งติดแอร์มีบานรลัางงามๆ ม, มีเมียมีผัวสวยๆหล่อมีทรัพย์สมบัติบำรุงบำเรอกันสนุกสนานและใครจะอยากบวช นอกจากผู้ที่มีบุญวาสนากระตาที่การที่สั่งสมสมพานไว้มากๆากเท่านั้นจึงจะอยากบวช ด, ด้วยจิตใจอยากจะออกจากโลกแล้วคนทั้งหลายเมื่อตอนเองร่ำรวยนั้นพ่อแม่เคยให้ทานเป็นมรดกตกทอดมาก็อยากจะให้ทานยิ่งเชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีนโลกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีอย่างเนี้ยเรคิดว่าทานแล้วตายแล้วเราจะได้บุญได้อะ กูสนได้อ่านในสองสิ่งที่ฐานก็ตนเองเป็นอยู่ด้วยความสุขในอามิ t h ในการมัจจุบันนี้ในพวกวัตถุเข้าของเงินทองขณะ น, นี้ชีใจมันไม่เคยพอยากจะได้มากๆยิ่งกว่า น, นี้ตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมกูกไม่เคยอิ่มกลิ่นริ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มในอารมณ์ก็ทะเยอทยานหรือว่าเราเสพสุข สิ่งที่เราได้มาในโลกไม่เกินร้อยปีก็กตายถ้าหน้ามีจริงเราจะต้องทําบุญมากๆให้มันได้เยอะๆยิ่งกว่านี่ไงไม่ละ่ะคนก็เลยทำบุญคนโบราณจึงกาาล่าวศาสนาหลวงเขาถึงแข 1, ่พันธิสามอปีเป็นต่างไปเรื่องเลยคนสิพ่อเจสางสมพานเนื่องหงเขะหมูสังขเจ้าสินสิเสาวเสื่อมซุนยิ่งร่ํารวยก็ยิ่งยากจะทําบุญบางคนเพื่อจะเอาชาติหน้าให้มันรวยยิ่งกว่านี่ นะคนอยากคนจนก็อยากจะถูกเลขและวจึงจะทำบุญให้มันได้บักมากแต่มีใครบ้างมายิ่งร่บรวยแล้วยิ่งเบื่อหน่ายอยากบวชเพราะว่ามันมีเชื่อมันมีไฟเพราะเราซ้อนกันโฮมกันกระหน่ำในเรื่องการให้ทานอย่างเรื่องชาดกพระเจา้าสิบชาติบำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัพเนี่ยทานสินเนคัมมะปัญญาขันติสัจจะริยาอธิฐานเมตตาอุเบคาขันติอะไรต่าง บารมีอื่นเราไม่ค่อยสนับสนุนเราเอาแต่ทานนะบารมีเทพในเรื่องพระเวสสันดรกันที่นี่ให้ทานทั้งโลกทั้งเมียทั้งอะไรต่ออะไรเป็นการปลุกเราสํานึกในการให้ทานอยู่ตลอดอย่างเนี้ยแล้วก็พัลลานาถึงอานิสงค์ของการให้ทานแต่อานิสงค์ของการบวชอานิสงค์ของการเจริญสมาธิการอานิสงค์ของการสมาทานสิ้นมีน้อยพอเป็นการสายาคนมุ่งโฮมเดียว่ึงการให้ทานให้ทานใน้ทานะ ใ, ในที่สุดทุกวันนี้ หรือแต่ไหนแต่ไรมาคนให้ทานมีมากอย่งคนร่ำรวยเท่าไหร่บางคนที่เชื่อว่าชาตนะิหน้ามีเชื่อว่าชาติก่อนมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์ก็อยากทำไว้บางทานแต่จํานวนที่ร่ํารวยเท่าไหร่และเบือนไหนฉันอยากแกบวชเลิกเกิดโว้ยได้มาแล้วก็เท่านี้ได้มากก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าฟูฟูแฝดแฝดตายแล้วก็แล้วเด็กก็เกิดมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จกจบจากสิ้นในวงจรแห่งสังสารวัฏเนี่ยจะแก้บวช เพื่อกระทำให้แจ้งสึ่งพันพานเพื่อออกจากกองทุกข์ทั้งปวงมีไหมหาเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยคนจนที่อยากบวชเบือในชาติสงสารที่เกิดมามีกรรมมีเวรบวชมาเบื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ผุดของเพื่อทำลายอาสวะสำรอกกิเลสให้สิ้นไม่ต้องเกิดมาทุกข์มาอยากเองาะไม่มีอมีจำนวนน้อยมาก เพรเห็นนั้นคนโบราณพูดไว้ในเก่งเข้าเขาว่าคนที่พ่อใจสั่งสมพันธุเฮืองหูเถะมูสังเกเจ้าสินส่เ ส, สาเสื่อมสุนที่นี้พวกปวดมีประเภทเอามาเรามาดูการให้ทานกับการปวดการให้ทานการให้ทานพ ร, ระพุทธเจ้าของเราท่านจำแนกไว้เป็นบทบ ว, ว่าเหตุให้คนให้ทานบางคนให้ทานเพราะความรักบางคนให้ทานเพราะความกลัวบางคนให้ทานเพราะความโกรธ บางคนให้ทานเพราะหวังสิ่งตอบแทนบางคนให้ทานเพราะว่าอ่าพ่อแม่เคยให้ทานมาเราจะได้เสียตระกูลของพ่อของแม่เลยเราจงทําตามเถิดถึงแม้ไม่มีศรัทธาก็ทําไปกลายเป็นนิสัยบางคนให้ทานเพราะเห็นว่าทานนี้เป็นการดีบางคนให้ทานเพราะเห็นว่าอ่าพระทรงองค์เจ้าสมณพราหม์เหล่านี้ไม่ได้หงได้หาเราเป็นพวกหงุดหาอยูห่ากินเรามีควรจะสนับสนุนท่าน บางคนให้ทานเพราะคิดว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้ทานแล้วจิตใจมันสบายมันสงบรำงับง่ายที่จะทําคุณงามความดีอย่างอื่นเรามาเริ่มต้นโดยการให้ทานสิ่งที่มีอยู่ขว้างมันออกไปอย่างนี้นี่เหตุให้ให้คนให้ทานแต่ผู้ที่จะทนตัดไปอย่างนี้ให้ทานโดยความรักให้ทานด้วยความกลัวให้ทานด้วยความโกรธให้ทานด้วยพ่อแม่เคยทําเสิบิบมาอย่าให้เสียตระกูลของพ่อของแม่เลยให้ทานโดยเห็นว่าการให้ทานนี้เป็นการดี เราควรจะให้ทานชาติหน้ามีเราก็จะได้ยูดีกินดีด้วยการให้ทานให้ทานโดยเห็นว่าพระสงค์เจ้าเหล่านี้เป็นผู้ไม่หงไดหงิหาเราเป็นผวกหงหาอยู่เราควรจะให้ทานให้ทานโดยคิดว่าให้ทานไปแล้วเป็นเครื่องประดับปูงแต่งจิตใจให้ใจสงบประมาบเบิกบานสบายใจในเมื่อให้ทานสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันออกไปสบายใจสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เหล่านี้ เป็นระหว่าการให้ทานนั้นมีวัตถุที่เป็นเหตุให้ทานถึงแปดประการแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางคนให้ทานเห็นว่าให้ทานนีนเป็นการดีเขาจะได้เลือกเราเป็นผู้แทนเป็นซอจอเป็นซอซอเวลาจะหาเสียงแม้มีอะไรผมรับใช้เต็มที่นะใจไม่ศรัทธาก็ควักออกมาทานเขาจะได้หวาดเราดีเขาจะได้เลือกเราเป็นผู้แทนราษฎรบางคนให้เพราะความรัก รักท่านองค์นี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้หรือรักคนโน้นเป็นคนเดียวให้ดีในใจเราแต่คนอื่นเขาจะว่าแล้วใหม่ใม่ลุกให้เพราะความกลัวก็ได้บางทีถูกบังคับทำไมให้ไม่ได้ต้องออกมาเลือนแล้วเท่านั้นบ้านแลวเท่านี้นก็ต้องให้ไม่อย่างนั้นสังคมเขาจะรังเกียจคนอื่นอยู่ถูกนินท้ายแล้วพอคนคนหนึ่งก็เลยให้บาทีให้เพราะความโกรธลาพัน มาแพยอยู่เรื่อยผ่านไปแหม่ให้ไปบาดตองบานนี้ไปให้พน ๆ, ๆอย่างนี้ก็มีให้เดี๋ยวความโกรธก็มีนะด้วยกลัวด้วยรักด้วยกกรธบางบางคนให้เพราะหวังตอบแทนให้ไปแล้วท่านอาจจะบอกเลขบอกหวยให้ใส่บาศแหลกเอาเลขก็ได้ไปทําบุญวันพระวันเจ้าวัดไหนท่านฝันดีๆหน่อยเนียน่ยไม่ได้ปาถนาบุญกุศลไปชาติก่อนชาติหนาอะไรด็อกไม่ได้ปาถนาเพื่อปรุงแต่งจิตใจให้มันมีความสุขความสบายใจในการให้ไม่ได้ปาถนาว่าการให้ทานเป็นการดี แต่บาทรนาว่าไปแล้วท่านจะบอกเลขตัวไหนท่านจะฟันอย่างไรท่านจะให้ปริศนาอย่างไรได้มาแล้วตมาซื้อถ้าซื้อไม่โชคก็ไม่ไปหัวมันอีกเลยวัดนั้นไปวัดใหม่ต่อไปตามพ่อตามแม่พ่อแม่ของเราให้ทานไม่ให้ขาดเราจะได้ให้เสียตระกูลลุนชาติอันนี้ก็ดีเคยเห็นที่บ้านของอตาตมา น, นี่แหละไปบินทบาทไปไหน บ้านหลังไหนเคยใส่บาตหลังนั้นจะใส่พ่อแม่ไม่ใส่ลูกตัวเล็กๆมาใส่เนี่ยเขาทำด้วยเสือบทะกูลเรือว่าตะกูลดีอย่างนี้มันก็มีประโยชน์เองแหละถึงแม้เขาจะไม่เขาวัดไม่ฟังธรรมเขาก็ยังได้สะสมสิ่งเหล่านั้ น, นก็กลายเป็นนิสัยีการให้เป็นนิสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็เกิดขึ้นพ่อแม่เคยพาให้บางคนก็นให้โดยคิดว่าเออพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ทําไร่ทำํำนาไม่ได้หุงไดนฮะ เราควรให้แก่ท่านเหล่านี้เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างเหล่านี่มันห้งมันห้ามันมีข้าวมีปลาอย่างนี้บางคนให้ด้วยความเลื่อมใสให้แล้วจะได้บุญกุศลชาติหนาต่อไปให้แล้วสบายใจปรุงแต่งจิตใจตนเองให้เป็นจิตใจดีสงบรำงับราบเรื่มันไม่เหมือนเป็นรักการให้ทานแล้วมันสบายใจเป็นรักเขามาแล้วมันกุ้มใจอุกอังกลัวเขาจะรู้ใจเห็นเขาไม่เห็นก็กลัวอยู่ในใจ นี่สาเหตุแห่งการให้ทานสรุปสาเหตุแห่งการให้ทานก็มีแปดอันมีแปดประการท่านี้ก็คือหนึ่งให้ทานด้วยความรัก 2. องให้ทานด้วยความกลัวสามให้ทานด้วยความโกรธสีให้ทานโดยหวังจะได้พ้นตอบแทนห้าให้ทานโดยพ่อแม่เคยให้ทานมาเราจะให้เสียตระกูลของพ่อของแม่เลยหกให้ทานโดยคิดว่าทานนั้นเป็นการดีบัณฑิตทั้งหลายสเสริญ เจ็ดให้ทานโดยคิดกว่าพระสงฆ์องค์งเจ้าสมณพราหมเหานี้ไม่ได้หุ้หงิดต่มไม่ได้หาอะไรเราเป็นผู้หุดหงิดเป็นผู้หาจูหาเข่งควรให้ทานแก่ท่านเหล่านี้เพื่ออนุเคราะห์แปดให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สงบลำงับให้เวลาใดและเป็นสุขใจมือชุ่มด้วยการให้ใจสะอาดจิตใจก็เกิดความเมตตาปานีทําสมาธิก็สงบลำงับเพราะการให้มีสุขใจกว่าการรับ รับของคนอื่นมารับโดยวิธีใดพุงก็เป็นหนี้อยู่ในหัวใจจะต้องวังสิ่งตอบแทนไปข่ามอยเข้ามาก็เป็นหนี้เป็นหนี้ความผิดกลัวเขาจะรู้ว่าวํารวจจะจับแต่การให้นะไม่ถือว่าเป็นหนี้คนอื่นจะตอบแทนหรือไม่ตอแทนก็ตามแต่ถ้าให้โดยวิธีสุดท้ายจําเป็นการถ้าทําเพื่อปล่อยวางด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่ฉลาเนี่ยการให้อาหาร ม, มันมันมันมีเหตุแปะประการอย่างนี้จะนี่เหตุให้บวชเอามาต้องมามองผู้บวชพูดดีจะรับทานอีกด้วย ที่คนโบราณบอกว่าคนที่พ่อใจสั่งสมหันเฮียงคงเข็บมุส่งเจา้าวสิ้นที่สเสาเสื่มศูนแปดอันนี้จะทําให้คนสร้างสมพานดังกล่าวมาแล้วจะพิดจะโถอย่างไรก็อยู่ในขั้นระดับแห่งจิตใจความรู้ความสามารถที่เข้าใจอย่างนั้นที่นี้เหตุให้ผู้บวชมันก็มีเหตุเองเอา ง, ง่ายๆบางคนบวชตามประเภทพณีพ่อแม่ต้องตามให้บวชอายุครบยีสิปีต้องบวชให้พ่อให้แม่บัดบวชและแทนน้านมพ่อแม่ได้ แทนบุญแทนคุณจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ละพราแม่ไปยืมเงินยืมทองมาบวชหลวงจะยกใหญ่เลยกออกมาหนี้ยังท่วหมหัวตกไปหาช่วยกันใช่นี่บางทีเสกออกไปล้ไอท้ทิศตะเลิดเปิดเปิงสนุกสนานไปใหญ่เลยอย่างเนี้ยบวชเพราะประเพณีนี่อันนั้นก็ยังดีนะบวชเพราะประเพณีนี้นะซ <So, S 2> บางคนบวชเพราะพ่ายเพลต่อชีวิตมีหนี้มีสินเลี้ยงตัวเองไม่รอดบางทีแก่เท่าลูกล้านไม่เลี้ยวแล ผัวเมียอยู่ด้วยกันมาแต่อ้อนแต่ออกเข้ามาแล้วบ่นให้กันเช้าเย็นเช้าเย็นผัวก็บอกว่าอย่าจมหลเลยไดห น, นีไปบวชก็ได้ได้รไ อ, อ้เซินโลดอีพออย่วัดนั่นก็ห่างไปทงเปิดอาลาัแล้วก็ไปเที่ยวตาเขาแห้งไรเอาเงินกลับมาให้ลูกให้ร้านอะไรต่างๆพวกนี้นี่เปนอีกแบบหนึง่งและอีกแบบนึงอันที่สามบวชตามเพื่อนสนุกสนานผัวผัวเขาชวนบวกก็เลยบวชอันที่สี่นั้น มีจำนวนน้อยมากบวชเพื่อจะออกจากกองทุกเบือนนายในความมีความเป็นเบือนนายลาบยศสันละเสริญสุขเบือนนายภาวะที่เป็นโย่คิดว่าการบวชนี้ล่องตองชีวิตคารวะเป็นหนทางคับแคบนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายยากที่จะประพฤติพมันจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโยงอย ก, กับเรื่องโลกเรื่อง มีเรื่องโผล่เรื่องทรัพย์สมบัติเรือกสซนไร่นาการทําทมาหากินการค้าการขายดินรนยื้อแย่งแสวงหาต้องต่อสู้ถ้าเป็นเก่าเป็นนายขดต่อสู้มีคนจ้องจะเลื่อยค้าเต้าอีกปกครองกันอยากลําบากอิจฉาตารอดบวช ด, ดีกว่าไม่มีใครอิจฉาบวช ด, ดีกว่าเพื่อจะศึกษาจิตศึกษาใจศึกษาชีวิตเพื่อจะเอาตอนเองออกจากกองทุกทั้งปวงอันนี้มีน้อยมากอันนี้มีน้อยมาก บางทีตั้งใจมาดีๆพอมาบวชมาปรับพฤติปฏิบัติหนังสมาธิบูบลงไปหน่อยหนึ่งอ้าวเห็นฉากก่อนเป็นโน่นเป็นนี่เขาไปแล้วที่นี่ก็บอกเลขบอกหวยไปคนกําลังไล่มาเอาสิ่งโน่นสิ่งนี่มาถวายจิตใจก็ขายายออกไม่เหมือนนัก บ, บวชคิดเลยเรามีเงินมีทองมากก็คิดเหมือนชาวบ้านจะไปซื้อรถเก่งคัน ง, งามๆจะปลุก บ้านให้แม่ให้พ่อนางนังน่นเข้าไปปกครบ้านให้ลกูกให้เมียเอกน้อยเขาคนนี้ก็เป็นเมียแต่ชาติก่อนคนไหนรวยมากกวเป็นแม่แต่ชาติก่อนคนจนจ น, น, นย่ามีบุญวาสนาไปเป็นแม่ทันเลยผู้หญิงคนไหนสวยๆอ้าวเมียขวอยแต่ชาติก่อนไหนเนี่ยแน่ยจําได้แต่ขี้เลเลยไม่เป็นเมียค่อยดอกชาติก่อนก็ไ่เคยพ่อกันจะเถอะอะไรทํานองเนี่ยข้อเห็นนั้นเมื่อมาประจวบเหมาะกันพวกหนึ่งต้องการที่จะให้ทาน พวกที่ให้ทานว่าทานเป็นการดีชาติหน้ามีเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขขอแม่เคยให้ทานมาเราพอมีอยู่มีกินเรามาทานอีกยิ่งโลกเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความสุขความสะดวกสบายทางวัตถุมีมากๆชาติหน้าเราทานไว้เราจะได้มากยิ่งกว่านี้ซื้อรถเก๋งมาทานซื้อโทรทัศน์มาทานซืตู้เย็นมาทานปูปันหลังใหญ่ๆเป็นกุฏิติดแอร์ให้ทานเอาเลยสิทีนี้ห่วกนี้ก็เมาปุนเมาสวรรค์เมาชาติหน้า แต่พวกที่ไม่ที่บวชแล้วไม่ปรารถนาที่จะออกจากทุกจริงๆก็ยิ่งถวยโอกาสเลยชักชวนอวนต้านอย่างโน้นอย่างนี้ให้ทำบุญมากๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีมันก็เลยพอตีกันส่วนระบบเรื่องคําวินยัยเรื่องการบาพ็ปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงพูดพอเป็นกระซายาพอหลอกคนเฉยๆอย่างนี้วินัยถือแต่น้อยพ่อได้หูหอมเรื่อง ขอให้คนเลื่อมใสมากๆมาทานให้เรามากๆอะไรทำนองนีน้มันก็เกิดขึ้นนั่งหลับรับตื่นตื่นบอกเหลกบอกห้ยทำทาให้เอาเงินเอาทองแต่เสร็จแล้วฝากธนาคารไว้อือซาเลยอย่างนี้แหละมันก็ทำให้เกิดการรักลั่นกันระหว่างผู้ให้ทานและผู้รับทานนักเข้ามีเงินม า, ามากๆเหมคิดเหมือนชาวบ้านเอาแต่จะทา เอาไปเอามาก็เลยมีเรื่องมีราวความขคืบอ้าวมีโลกเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนเอาขอดแล้วแปดเดือนเอาขอดแล้วสีเดือนเอาขอดออกมาแล้วแล้วก็มีเงินมีทองก็ดินลนต่อสู้กันไปสันคอนศรัทธามหาชนมากขึ้นอีกตรงนี้แหละโคตะละภูสงมันจะเกิดขึ้นมันเข้าทํานองในปปัชิตวิเหธกาชาดกพระพระยาวิชาทรคนเดียวเท่านั้น ที่มาทําเสียปลอมตัวเป็นพระไปยืนอยู่ในป่าชาไปร่วงล้าก่าเกินนะครับไม่เห็นสีมาราชาเมื่อรู้เท่าทันก็เห็นเป็นพระทําทให้นระราชาโกอดมหาชนทั้งหลายก็พลอยกอดไปด้วยไล่ผ่าแหงก็เจิงออกจากแผ่นดินไม่ให้มีเลยอย่างนี้ความชั่วของคนคนเดียวมันทําลายเป็นมากที่นี่ผู้ที่ปานาที่จะออกจากทุกข์ปุถุมีความเลื่อมใสในศาสนาที่จะบวกกันทีที่จังๆ ก็ยังมีอยู่เพราะโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณทําชั่วอายุขัยของโลกจะต้องมีทั้งโชคและข้สับสนปนเปนกันไปตราบเท่าชีวิตนี้โลกนี้จะสมตสลายไปจากกันแล้วเราจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไงเกี่ยวกับการให้ทานอาตจจมาก็มีปัญหาบ่อยๆที่คนถามมาบางคนบอกว่าถ้าจะทานให้แก่พระไม่ดีไม่งามเนี่ย ร, รู้ๆอยู่จะทานให้ท่านมันก็เหมือนเลี้ยงโจนไว้ในบ้าน ฟังแล้วก็มีเหตุผลดีดอยออู่ดอกยอมเออฮ้ยน่ะอนุมโมทนานแต่มาคิดอีกทีหนึ่งเราเนี่ก็เป็นคนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ว่าคนไหนเป็นพระอริยเจ้าองค์ไหนกันแทบพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนทารุกก ร, รมมิกะคนตัดฟืนในสมัยพระพุทธเจ้ามีคนหนึ่งตัดฟืนขายนายทารุกกรรมมิกะทำบุญทำทานไม่ขาดจากกันไปนานก็เลยได้พบกันแม้จากกันเป็นนานแล้วนะทารุกกรรมมิกะเพิ่งจะมาพบกัน เป็นยังไงทุกวันนี้ยังทําบุญทําทานอยู่แลหรือยถ้าทุกกมมิกะ บ, บอกว่ายังทําอยู่ข้าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์นี้ยังทําทานอยู่แต่ว่าทุกวันนี้ต้องเลือกน่อยต้องทําทานแก่พระอริยะเจ้าส่วนพระธรรมดาก็ไม่ได้ทําต้องการจะได้บุญเยอะๆพระพุทธเจาก็ถามมารู้ได้อย่างไรพระอริยเจ้า ไอ้พระว่าพระได้อยู่ป่าเป็นวัดชั้นในบาทเป็นวัชั้นเอกาเป็นวัดเบญบาตเป็นวัดหนงคุ้มภาพบางสกุลเป็นวัดประพฤต์ตัวแข้งๆนั้นแหะผมถือว่าพระอริยเจ้าของผมพระพรทธเจ้าบอา ก, ก, รรกเอ้ยทาลุกามิกะเอ้ยท่านยังเป็นคารวาะยังคุกเข่าอยู่กับลูกภรรยาสามีสิ่งเศร้มองกรอบด้านท่านไม่สามารถจะรู้จักความเป็นพระอริยเจ้าดอกพระอริยเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองไม่ว่าจะหลวงคุ้ภาพบางสกุลเป็นวัดชั้น ข่าวหนเดียวเป็นว่าฉันเป็นบาทเป็นวัดเทวบินธบาตรเป็นวัดหมันยังไม่ใช่เครื่องวัดว่าเป็นพระอริยะเจ้าอยู่ในบ้านกินข้าววันละสองเวลาเป็นพระนุ่งห่มเรื่องเงไม่ได้นุ่งห่มผ้ากั๊กจงแต่ฉันข้าววันละสองเวลาอยู่ในเมืองแต่จิตใจไม่โอ้อวดรู้เท่าทันวันี้ทุกนี้เหตุนี้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกข้นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันไม่เป็นคนที่ ปะเจอปะเจอปล่อยปะาละเลยสติปัญญาท่านอยู่ในบ้านนั่นก็เป็นพระอริยะได้อยู่ในวัดบ้านอยู่ในวัดป่านุ่นนหงหอมผ้ามังสกุลฉั้นข่าวเวลาเดียวเหมือนวันอดอาตมาฉันคนเดียวนี่อย่าไปคิดว่าเป็นพระอริยเจา้าง่ายๆนะหนุ่งหอมผ้าสีก็กางนิ่แหละไม่สูบบุรี่ไม่เอาเงินเอาทองก็เธอแต่กิเลยังท่วหัวอยู่มันก็เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้บางทีมันจะไปยกตนข่มคนอื่นดูถูกคนอื่นอยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเห็นนะั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าทาลุกกรรมไมกล ผลไม้สุกนอกดิบในก็มีดิบดิบนอกสุกในก็มีผลไม้บางชนิดผิวเปลือดดูเหมือนดิบดิบเขียวๆแต่ภายในสุกหวานเห็นบอกกล้วยหอมบางชนิดเลืองอลามทั้งนอกเหมือนจะสุกแต่ทั้งในกลับไม่สุกดิบดิบเหมือนกับพระสงฆ์จ่ามางองหนุ่งสะพ้องซ่องจีบอลตะคองบาดผาสังขาไปมาสงบใส่เหี่ยมเชียมตัวโหยคือแท้ๆปานมากพระอ๋อละฮัน แต่จิตใจมากไปโดยกิเลสฝันหาแต่เงินที่จะซื้อรถเก๋งขี่คันงามๆมีคนเขาลบล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนใหญ่ๆตัโตเราที่ใจมัก็เหมือนกับชาวบ้านแต่ถึงแม้จะอยู่ในบ้านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามส ง, งบสงบงเยี่ยมตัวศึกษาจิตใจรู้เท่าทันสติอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหาเกิดดับทุกไปยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ก็ไปเกี่ยวกันแหละ ก็เหมือนที่ผู้เจ้าท่านพูดนั่นแหละว่าน้ําตื้นเงาลึกกว่ามีน้ํำลึกเงาตื้นกว่ามีเพราะเหตุนั้นทาลุกา ม, มิกะอย่าได้เลือกเลยถ้าท่านปราธนาบุญจงทานให้สังฆทานเถิดท่านไม่สามารถจะรู้ว่าพระยุบาลพระยุปาจะมีเกเรเป็นอริยะเจ้าต่างกันอย่างลยท่านยังไม่รู้จิตใจท่านยังไม่เป็นพระอริยะท่านจะรู้ได้อย่างไรนี่ก็เหมือนกันญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย อย่าได้เลือกแต่พระป่าพระป่าพระป่าหรืพร ะ, ะ, ะ, ะอยู่บ้านไม่ได้กินนจิบห้ไว้บอดอีกแล้วการปฏิบัติตัวดีๆงามๆนั้ไ น, นไม่ได้อยู่ที่ป่าไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่พระทุดงหรือไม่ทุดงดอกสิงสองร้อยี่สิบเจ็ดเป็นสามัญญตาครอบงำไว้อยู่เพราะเหตุ น, นั้นการให้ทานจึงควรวางจิตใจไว้สองระดับถ้าให้ทานแบบหนึ่งให้ทานด้วยปัญญามีเป้าหมายอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจฉลาด ให้ทานด้วยศรัทธามีเป้าหมายอยู่ที่บุณนะให้ทานด้วยศรัทธานั้นหวังเอาบุญต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาถ้าหวังเอาอุศนคือความฉลาดต้องเริ่มต้นไปปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไ ว, ว้ว่าวิจยะทานนังสุขตัดสปัตตถังเลือกให้ดีๆแล้วจึงทานพระสุคตสระเสศ์อันนี้เริ่มต้นด้วยปัญญานำไปสู่อุศนสูงขึ้นจะไปถึงนิพพานได้ทต่นี้ ข้าปารธนาบุญท่านก็บอกว่านักทิจิตตังประซั่นนำหิอัปการนามะทักขีนาเมื่อจิตใจเรื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยไม่มีนับไม่ถ้วนคนที่เราทานนั้นถ้าจะเป็นใครก็ตามเป็นพ้าช่วชา้าเร็วซ้ำแค่ไหนถ้าจะตนกนรกลุมไหนก็ตามแต่เราบริสุทธิ์ใจเราได้มาโดยบริสุทธิ์ทักษิณาเราบริสุทธิ์ไม่ได้รับสุขต ก, ตกขอหอใครมายกใส่เก่าเท้าใส่หัวให้แล้วสาบายใจเราก็ได้ผลเรียกว่า ทักคินาวิสุทธิการให้ทานบริสุทธิ์โดยฝ่ายที่ทายกผู้ให้บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่มีสินฉังหัวทัทีนี้ถ้าหางเรื่องเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผู้รับพระสงฆ์เก่ า, ององาก็มีสินอย่างนี้เช่นเดียวว่าทักคินาบริสุทธิ์โดยส่วนสองทั้งปฏิคาหกและทายกทั้งผู้รับและผู้ให้ ผู้ผู้รับก็มีสินมีธรรมงดงามศิลาจารวัดผู้ห่งเองก็เป็นผู้มีสินมีธรรมไม่ได้ลักใครมาไม่ได้โกงใครมาชอคอรัชธรรมเฉลิลาบางห้วงใครมาอย่างนี้ยิ่งมีผลใจถ้าหากเลือกไม่ได้ก็ขอให้ฝ่ายเราบริสุทธิ์นึกเสวานเราให้ทานเพื่อจะลงพระสักนะให้ทานเป็นสังฆทานถ้าอย่างนี้จิตใจก็เลื่อมสายป่าเปื้มยินดีเราก็นับไม่ถ้วนเรื่องบุ ญ, บญที่บออัปการนามทัทกินานนับ ประมาณไม่ได้เลยบุญนั้นเพราะเหตุนั้นเราจะอบุญเราก็ต้องทานอย่างเช่นที่วเลื่อมไสท้าจะเป็นใครก็ตามเราได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์พูดถึงตรงนี้ก่อนนึกถึงคนสองคนที่มหาสารคามวันนั้นอาตมาไปปลาตกะท้าทำร้องพวเมียขอมาส่งเรียนระดับมหาวิทยาลัยจบมาประกอบอาชีพการงานเขาบอกว่าทั้งสองคนเรียนแต่ในโรงเรียนคริสเตียนมาตลอดจนจบมาไม่ค่อยเข้าใจอะไรมาได้ฟังเทศวันนี้เลื่อมไสมาขอมาสองท่าน มาจำทางสองพ่อเมียก็ทำหลวงพ่อขาการให้ทานนี้มีใครมาขอทานมีผ้าทรงเจ่ามีใครมาแจกสองแจกอะไรฉันให้ไปเลยเนี่ยดีใจได้บุญไหมคะถูกไหมคะอาจารยมาก็บอกว่าถูกส่วนฝ่ายสามีที่ขับรถบอกผมไม่ให้นะครับหลวงพ่อผมถามว่าสองที่พิมพ์ลงพิมพ์ไหน อ, ออกเมื่อไรวัดนี้มีตาตั้งเจ้าอาวาชื่ออะไรถามไปถามมาตอบไม่ถูกผมไม่ให้ หัวกับเมียก็เถียงกันให้ไปเถินนาให้ไปแล้วสบายใจต้องไปซักไซไล่ลียนอะไรให้ทำไหมเมื่อถามแล้วก็ตอบเราไม่ถูกจะเอาเงินของเราไปกินซัซีิฟี่นี่เราก็จะได้บุญยังไงผมทำอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพอ่ออาดามาก็บอกว่าถูกเหมือนกันอ้าวแล้วไม่ถูกหมดฝ่ายภรรยาก็ถูกฝ่ายผัวก็ถูกแลก้วจะเอายังไงมันถูกอาดามาก็บอกว่าฝ่ายโยมผู้หญิงนั้นให้ฐานด้วยศรัทธามุ่งสู่บุญคือความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจ ส่วนโยมผู้ชายนั้นให้ฐานด้วยปัญญามุ่งสุกุศลคือความรู้ความเข้าใจขอ้อตีคิดจิ ต, ท, ตที่ทําคําที่เก่าวบุญส่งไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดถึงปรินิมิตตสวรรษษาวัตดีกุศลส่งไปไกลถึงนิพพานที่ดับหลงแห่งทุกตัดกระแสวงจรแห่งสังสารวัฏเสียได้พัฒนาจิตให้สูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุ น, นั้นเราก็เลยได้คนละอันแหละคนหนึ่งได้บุญคนหนึ่งได้กุศลแล้วอันไหนดีเขาบอกดีด้วยกันหนังคู่ แต่ถ้าได้กุศลแล้วมันจะได้บุญด้วยก็เลยบอกเป็นพุทธพจน์ว่าวิจยะทานหนังสุขตับประสัทถังเลือกดีๆแล้วให้ทานถ้าสุขสนละเสริญอันนี้เพื่อกุศลเพื่อการเลือกสนับสนุนพระส ง, งค์เจา้าเพื่อจะลงไว้ซึ่งศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพแต่อีกอันหนึ่งเมื่อให้ทานแล้วจิตเรื่องใสบุญนั้นจะเชื่อว่าเป็นของน้อยย่อมไม่มีเลย เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกอย่างนี้นัตถิจิตตังประสัณ น, นามิอั ป, ปการนามทัทศีนาเมื่อจิตมีความเลื่อมใสแล้วทักษีนาทานนั้นมีผลนับไม่ถ้วนเลยจะเชื่อว่า น, น้อยไม่มีโยมผู้หญิงมีความเลื่อมใสในศาสนาเลื่อมใสไม่ได้เลื่อมใสพระองค์นี่ไม่เลื่อมใสคนคนี่แต่เลื่อมใสว่าทานนี้เป็นการดีบัณฑิตเสด็มเสด็จว่าทานการให้นั้นเป็นการดี ก็เลยให้พอแม่งก็เคยให้มาคิดว่าให้ไปแล้วประดับปรุงแต่งจิตใจตนเองให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นการให้สุขใจยิ่งกว่าการรับมันก็ได้บุญนับไม่ทวนเลยเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าของเราท่านสรุปไว้บทหนึ่งว่าการให้ทานเสมอเหมือนกับการลบทานนั้นจะยุทธันจะสมาณหุการให้ทานเสมอเหมือนกับกลับกับการลบการลบกับกิเลสความใจนิทีเ่เยวลบได้เท่าไรให้ไปมันก็ชนะกิเลสไป ที่นี้มีกองกําลังทหารน้อยสามารถชนะองฆ่าศึกกองทัพของฆ่าศึกที่ใหญ่โตก็ได้ข้าาหารนั้นมีคุณภาพเปรียบมือนการให้ทานแม้จะให้น้อยนิดเดียวแต่มีจิตใจเลื่อมใสยอย่างยิ่งให้ไปแล้วจิตใจก็ไม่เสียดายเ อ, อิบอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลชำแรกกิเลสทําลายกิเลส ท, ที่เคยหวงแหนเคยเห็นแกตัวให้หมดสิ้นไปให้ทานแม้น้อยนิดพก็สามารถพิชิตกิเลสได้ให้ทานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพื่อ หาชื่อเสียงหาคะแนนกอบโกยเพื่อจะมีโอกาสเข้าเป็นนั่งในรัฐสภ า, าจะก อ, อกโกยเอาไหม่ได้เยอะๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานเป็นล้านก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับมกประเดกมกเดียวของชาวบ้านธรรมดาเราอันนี้สัมมวนอาตมานะไม่ใช่สัมมวลพระพุทธเจ้าเพราะเจเขาไม่ได้เลื่อมใสพวกนักการเมืองเขาปาฏนาสิ่งตอบแทนที่เรียกว่าให้ทานด้วยการตอบแทนเงินจํานวนที่ให้มานี่ก็อาจจะไปโกงคใครมาก็ได้เป็น ข้อช่อลาดบางหลวงไข่มาก็ได้แล้วก็เลยให้ทานลงไปมากๆก็ไม่เสียดายเพราะเงินของคนอื่นหวังเอาคะแนนกอบโกยคนเขาจะมาเลือกเราแล้วเราก็จะไปกินใหม่อีกคําใหญ่ๆกว่าเก่าถ้าอย่างนี้มันไม่เป็นบุญเลยเพราะเหนั้นสาเหตุแห่งการให้ทานกับสาเหตุแห่งการบวชมาะเอามาพิจารณาใส่กันดังที่คนโบราณว่าค้นติพ่อใจสามสมพันธ์เรื่องหงเขหมุสุนขเจ้าสิสิสตเชิมศูนที่นี้ถ้าหาสาเหตุแห่งการให้ทาน ปาถนาเพื่อเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตใจให้สงบให้รำหนับนั้นก็จงฟังดังที่พุทธเจ้าท่านกล่าว่าดูก่อนอานนุนในอนาคตการจะมีแต่เหล่าหมู่พิกษุโคตละลภูสงมีปากาสาวะพันคอเป็นคนผู้ศีลมีบาปทำอลาโมกคนทั้งหลายจะถวายทานได้เพราะสงเหล่านั้นเพราะสงดีๆมันไม่มีดูก่อนอานนุ์ทักทีนาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงผู้ถู้ศีนเลวสามถึงปันนั้นในเวลานั้น เราก็กล่าว่ามีผลนับไม่ได้นับประมาณไม่ทวนพรเหตุ น, นั้นพี่น้องทั้งหลายที่ถามอาตมาที่เถียงอาตมาวันนึงมาเถียงเลยบอกว่าทานที่บ้านนั่นแลไม่ต้องมาถึงวัดอาตมานี่ก็ได้ก็บอกว่าพระที่บ้านไม่ดีเห็นเทนอยู่มันเหมือนกับเลี้ยงโจรเอาเถิ ด, ดยมเอ้ยถ้าหากเลือกไม่ได้ก็จงทานเธอชื่อว่าทานแก่พระสงฆ์ทั่วโลกนั่นแหละแต่เธอบอกองค์นี้เป็นตัวแทนจะได้คิด ให้เศร้ามองใจเลยในขณะฐานเกาะจิตใจเบิกบานในขณะกอนให้ทานเกาะเบิกบานให้ทานไปแล้วเกาะเบิกบานใจไม่ได้รักศกกรอใครมาเราได้ให้แล้ ว, ลวสนับสนุนเร็วการทําคุณงามความดีของเราอย่างนี้อาจจะช น, นะใจคนชั่วชั้วเกาะได้ที่นี้พวกที่ล้มละลายสูญหายหมดเงินหมดทองไปเป็นแสนเป็นล้านกับสามีโน่นสามีนี้ก็ อ, อย่าได้เสีย อ, อกเสียใจนะยมนะ ไปไปมอบให้เป็นล้านๆแก่องค์โน่นองค์นี่เด็ค้าว่าอามีเมียแล้วมีลูกแล้วอยากเสียอกเสียใจอย่าร้องห่มร้องไห้คิดเสียว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทักทีนะทานบริสุทธิ์เรายกใส่เกล้าเท้าใส่หัวเราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่ได้รักศกตกหอใครมาใจเราบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าบอกว่าได้ผลนับประมาณไม่ทวนนับประมาณไม่ได้เลยถึงแม้เขา ผู้รับไปนั่นจะเป็นผู้ใหม่มีศีลมีธรรมจะไปตกนรกลุมไหนก็ช่างทันถ้าขีนาฐานบริสุทธิ์ฝ่ายถายกฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแม่นก็ได้ทนอยู่ดอกโยมเอ๋ยเพราะเหตุ น, นั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้สบายอกสบายใจที่หลงเสียเงินเสียทองไปกับพระทรงองค์่าที่ไม่ดีไม่งามนั้นยาได้เสียใจอีกเลยอตีตาณ น, นาวากะเมยยานาปติกังเทอนาคาตัง อย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยความเศร้าส้อยอาไรวลาห้อยหามันผ่านไปแล้วเหมือนแม่น้ําที่ไหลไปแล้วย่อมไม่ยอมหวนกลับคืนมาอย่าห่วงพะวะพะวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินไปจงจัดการกับปัจจุบันให้มันดีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองเดี๋ยวนี้ปัจจุบันกําลังก้มใจพอหลงได้ไปให้ทานกับพระไม่ดีแม่งามไปสูญเสียเงินสูญเสียทองไปปัจจุบันกําลังทุกข์ที่ทุกข์ขจัดทุกข์ออกไปว่าอย่าเสียใจเลย เราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำชั่วแต่มันทําไปกับบุคคลที่มีความชั่วเราก็ดีอยู่ได้มาด้วยความถูกต้องดีงามอย่างนี้เรียกว่าทัชชินาทานของเราบริสุทธิ์ฝ่ายทายโยกส่วนฝ่ายปฏิขาหกผู้รับนั้นท่านจะไปตกนาโรกลุมไหนก็ตามพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ที่สุดทั้งหลายฟังสนทนากันกันกนกบพระโมกขลานะในโมคขลานะสังยุตสังยุตตานิกายพระโมคขลานะได้เดินทางลงมาจากเขาคิสกุฏ เห็นเปรตลอยในเวหาดกระดูกโครงกระดูกลอยเวหาดยาวเป็นขาบูทมีผ่าเรื่องพันคอไปลุกทั่วมีนกปากยาวๆไล่จิกไล่ตอดโครงกระดูกร้องควรข่างท่านมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังวันนะ่าอัศจรยจรย์จริงไม่เคยพบเคยเห็นสัตว์อย่างนี้ก่ามีพระพุทธเจ้าบอกพิสุจทางหลายจงฝังนั้นโมคลลานะเป็นภูมิลิขิตจงนามีอนุภาพจรงนาสาพวกกองเรา เธอก็เห็นเราก็เห็นเธอจงเป็นพยานแก่เราเราก็จะเป็นพยานแก่เธอพิสูจทั้งหลายภาพที่เห็นนั้นนะคือภาพเปย์พิกษุผู้บวชมาแล้วหลอกลวงโลกให้ชาวบ้านเขาให้ทานตนเองด้วยตนเองเป็นผู้ผู้เส้นมีบาปทำอันลามกเอาเงินเอาทองเขาไปใช้ไปจ้างผู้หญิงเป็นลูกเป็นเมียเสี้ยงเงินเจี้ทองให้แก่เขาเมื่อชาวบ้านทั้งหลายเขาให้มาด้วยความบริสุทธิ์ ตนเองตายไปแล้วตน ก, ก, กนาลกบอกไม่พร้อมจากนรกแล้วเป็นเปลเรล อ, อยู่ในเวหาด้วยเศษแห่งกรรมนั้นผาเลื่อมพันคอนกตะกุมบินจิกบินต่อร้องควรขางเป็นทุกข์ส่วนทายกผู้ให้เขาก็ได้รับบุญที่เรียกว่าทักทีนาทานปริสุทธิ์ฝ่ายทายกนี่เธอทั้งหลายฟังแล้วพึงสังวรระวังเอาไว้ท่านทั้งหลายเมื่อฟังคำนี้แล้วก็ขอให้สบายใจได้ผู้ที่มีความรู้สึกไม่สบายใจลองทิศลองทางไป เราต้องการบุญระจงทำใจให้เป็นบุญเบิกบานใจสบายใจที่ได้ให้ไปแล้วแล้วก็สบายใจในขณะที่กำลังให้สบายใจที่คิดที่จะให้อย่างนี้เลยว่าทำให้เป็นบุญเอาชนะกิเลสคือความตานนี้ที่เน้ความเห็นแก่ตัวที่นี้ถ้าจะเลือกก็ขอให้เลือกอย่างถูกต้องอย่างดีงามเอากุศลไม่เอาเพียงบุญสนับสนุนพระทรงองค์เกาที่ดีที่งาม ชาวบ้านของเราเนี่ยมีศรัทธาดังกล่าวแล้วเพราะแม่เคยทํามาแล้วมีศรัทธาย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยถ้ามีศรัทธายางเดียวมันเป็นคนตาเดียวพระพุทธเจ้าพูดกับพระพัท ธ, ธาริว่าดูความมัทาลิคนมีศรัทธาเนี่ยหมือนคนตาจกถ้าหากไม่มีปัญญาตาเดียวมันบอดแล้วมันก็ใบบีตาอะไรก็ไม่เห็นอะไรเลยมีศรัทธาสุดเก่าสดหวัวไม่มีปัญญาไว้คิดไวพ้พิมพิจนาไว้ฟังเสียงองค์อื่นคนอื่นบ้าง เชื่อองเดียวสุดก็สุดหวัวาเหมือได้ข่าวว่าไม่ดีแล้วก็ตาบอดไม่ยอมเชื่อใครอีกเลยในโลกนี้มีแต่พระไม่ดีดูอาจารย์ของเราก็ยังเสียหายไปทันดีขนาดนั้นอย่างนี้เรียกว่าหอนตาเดียวพระพุทธเจ้าบอกเมื่อมีสถานต้องมีปัญญา